เมื่อวันสองวันก่อนเขาก็พาลูกพาหลานไปเที่ยวสยามพารากอนนะที่นั่นมันมีโอเชียนเวล์นะโอเชียนวลก็คงเป็นคล้ายๆพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมันนะอาตมาไม่เคยไปแต่ว่าเด็กๆคงจะชอบเขาก็มีลูกอยู่สามคนอายุแปดขวบห้าขวบ แล้วก็สามขวบเด็กได้ไปดูโอเชียนวัเด็กก็ดีใจนะแต่ว่าคนเป็นแม่นี่ไม่อยากเข้าไปเพราะว่าไปหลายครั้งแล้วรูส้สึกเบื่อแล้วก็ปวดท้องด้วยเพิ่งประจำเดือนเพิ่งมาวันแรกนะก็เลยให้ลูกนะเข้าไป กับพ่อส่วนตัวแม่ก็บอกว่าจะขอนั่งรออยู่ข้างนอกอ่านหนังสือส่วนเด็กเล็กสามขวบนี่ก็ให้พี่เลี้ยงเข้าไปลูกน้อยนี่ก็อยากจะให้แม่เขาไปนะเพราะว่าติดแม่สามขวบนะแต่เธอก็อ้างว่าปวดท้องนะก็ปรากฏว่าโดน สามีตอบว่าว่าทำไมคุณหึงแก่ตัวอย่างนี้ลูกต้องการคุณมากกว่าผมซะอีกนะเจ็บปวดปวดแค่นี้นี่มันทนได้นะตอนที่คุณข้อลูกนี่ปวดยิ่งกว่านี้อีกผ่าตัดใหม่ๆก็ยังอุตส่าห์ไปให้นมลูกได้ไม่ได้รู้สึกปวดอะไรเลยทนความปวดได้ ปวดแค่นี้นะทำไมถึงไม่เห็นแก่ความสุขของลูกพอสามีต่อว่างี้เธอก็น่าชาเลยนะแล้วก็คิดได้ทันทีเลยนะเออจริงนะเพราะว่าเราปวดประจำเดือนแค่นี้นี่มันไม่ได้เท่าไหร่เลยยาก็ติดมาด้วยกินยาเดี๋ยวก็หายก็เลย รีบตามลูกเข้าไปลูกน้อยนี่เห็นแม่ก็ดีใจนะแม่ก็พูดแก้ตัวว่าเนี่ยนะทำไมลูกวิ่งเข้าไปเร็วอย่างนี้แม่ตามไม่ทันนะเดี๋ยวขอแม่กินยาเลยนะแล้วเดี๋ยวจะพาลูกไปเที่ยวไปดูคือเธอต้องอุ้มลูกด้วยนะลูกยสามขวบยังไม่ค่อยประสีภาษานะต้องอุ้มลูกพาไปดูปลาดูปลาฉลามดูปลาโลมาเนี่ย ก็จบลงได้ดีนะแต่ว่าเธอก็มานึกเสียใจว่าทำไมเราเห็นแค่ตัวแบบนี้เราคิดว่าเราลักลูกนะแต่ว่าที่จริงเราเห็นแค่ตัวทีเดียวเลยนะก็รู้สึกผิดนะก็เขียนมาทำนองปรึกษาก็เลยเขียนต่อไปว่านะ ไอ้ความผิดพลาดพลั้งเผลอนี่มนันเรื่องธรรมดาของมนุษย์นะคนเราก็ต้องมีความผิดพลาดกันบ้างบางครั้งคนเราก็นึกถึงตัวเองมากกว่าคนอื่นอยู่บ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าก็ต้องชมเธอนะว่าพอรู้ตัวว่าผิดพลาดไปแล้วนี่ก็รีบปรับปรุงตัวรีบแก้ไข คนธรรมดานี่ถ้าเกิดถูกสามีต่อว่าแบบนั้นก็จะต้องรู้สึกโกรธเพราะว่าสิ่งที่สามีพู้นี่มันกระทบตัวตนของความเป็นแม่เลยเป็นแม่คนไหนคงต้องโกรธนะถ้าเกิดมีคนบอกว่าทำไมคุณเห็นแก่ตัวแบบนี้นะไม่นึกถึงความสุขของลูกแต่ว่าผู้หญิงคนนี้นี่ แทนที่จะโกรธแทนที่จะเถียงนะได้คิดทันทีเลยนะเออใช่นะเราไม่ถูกนะรีบรีบไปเปลี่ยนผิดให้เป็นถูกทันทีไปเข้าไปหาลูกนะอันนี้ก็ต้องก็ต้องชมนะว่าพอรู้ตั ว, วผิดแล้วนี่ไม่ไม่เสียเวลาแก้ตัวหรือว่าโต้เถียงนะก็ เขาไปเปลี่ยนให้มันสถานการณ์มันดีขึ้นนะก็พูดต่อไปว่าเนี่ยคนเราอย่างที่บอกไว้นะคือว่ามันต้องมีความผิดพลาดเป็นธรรมดาถึงไม่ผิดวันนี้ก็คงจะผิดพลาดในวันหน้าแต่ถึงวันหน้าแล้วถ้าเกิดผิดพลาดอาจจะผิดพลาดจนแก้ตัวไม่ได้ผิดในวันนี้นี่ยังพอแก้ตัวได้หรือว่าเอามาเป็นบทเรียน เพื่อไม่ให้ผิดพลาดในวันหน้ามองมองในแง่นี้เนี่ยผิดในวันนี้นะดีกว่าผิดในวันหน้าเพราะผิดวันนี้นี่แก้ตัวได้หรือว่าทําผิดให้มันเป็นถูกได้แต่ถ้าผิดในวันหน้านี่บางทีมันหนักหนาสาหัสตนแก้ตัวไม่ได้ก็มีมีเพื่อนอีกคนหนึ่งนะ ก็เพิ่งไลฟ์ฟังเมื่อเร็วๆนี้ก็เพิ่งมารู้จักกันแกเล่าว่าเป็นแกเป็นคนที่สนิกกับพ่อมากเพราะพ่อพ่อนี้เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กเนื่องจากแม่อยู่ต่างประเทศแล้วก็เป็นลูกคนเดียวของพ่อและแม่พอโตขึ้นอายุส0มสิบสี่สิบปันนี้ก็คงประมาณสามสิบกว่าๆนะสี่สิบได้ก็อยู่กับพ่อมาตลอดแต่ว่า แกก็เป็นคนชอบออกไปเที่ยวนอกบ้านเวลากินข้าวก็ชอบไปกินนอกบ้านกับเพื่อนเป็นคนที่ชอบสังสรรค์บอยครั้งเนี่ยออกไปนอกบ้านโดยที่ไม่ได้บอกพ่อก่อนนะปกติจะกินข้าวพร้อมกันแต่ว่าหลายครั้งก็ ออกไปเที่ยวกับเพื่อนโดยที่ไม่ได้บอกพ่อนะกำลังเที่ยวเพลินๆอยู่ก็มีโทรศัพท์มือถือดังขึ้นนะเป็นโทรศัพท์จากบ้านาถึงรู้ว่าโอ้เราลืมบอกพ่อไปก็บอกพ่อว่าพ่อไม่ต้องรอนะกินข้าวเลยกินข้าวไปก่อนเลยนะผมจะกลับถึกก็เป็นอย่างนี้อยู่หลายครั้งนะจนกระทั่งหลายบางครั้งนี่รู้สึกลาคานนะเห็นโทรศัพท์ เห็นเบอร์บ้านมาก็ลำคาล่ะนะเพื่อนคนนี่ยังเล่าว่าทนาที่มีเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนเยอะนะแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาพาพ่อไปเที่ยวเท่าไหร่ปีหนึ่งก็พาพ่อไปเที่ยวครั้งสองครั้งหรือสามครั้งตอนหลังพ่อก็ป่วยนะป่วยก็ก็ดูแลพ่อดีนะแต่ว่าพ่อนนี้ก็ ป่วยหนักแล้วก็ไม่ป่วยไม่นานก็เสียชีวิตแกก็ดีนะอุตสาหดูแลพ่อพอรวก พ, พ่อป่วยหนักนี่พ่ออยากกลับบ้านไปตายที่บ้านก็พาพ่อกลับมามาตายที่บ้านใครๆก็ว่าไปลวกกตันยูนะแต่ว่าแกบอกไม่สนใจเพราะว่าพ่ออยากจะตายสงบนะ และตายสงบนี่ตายที่บ้านมันน่าจะสงบกว่าตายที่โรงพยาบาลก็ไม่คิดจะไปยื้ออะไรที่ให้มีชีวิตอย่างทุกทรมานก็เป็นนั้นว่าในสุดพ่อก็ได้ตายอย่างสงบที่บ้านแต่มาถึงตอนนี้แกก็รู้สึกเสียใจแกบอกว่าตอนที่พ่ออยู่นี่เวลาเห็นโทรศัพท์จากพ่อมานี่ลำคาญนะแต่ตอนนี้ไม่มีโทรศัพท์ จากพ่ออีกแล้วมันรู้สึกเจ็บปวดมากเจ็บปวดที่ไม่มีโทรศัพท์จากพ่อนะแล้วก็ที่เจ็บปวดมากคือว่ามาระลึกได้ว่าตอนที่พ่อมีชีวิตยอยู่นี่ไม่ค่อยมีเวลาพาพ่อไปเที่ยวที่จริงมีเวลานะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยสนใจแต่ตอนนี้เนี่ยพ่อไปแล้ว เสียดายว่าไม่สามารถจะพาพ่อไปเที่ยวได้อีกแล้วก็ทำยังไงรู้ไหมความสึกเสียใจเนี่ยทุกวันนี้นี่ในรถเข้านี่จะมีจะมีรองเท้าของพ่อรองเท้าแต่ของพ่อติดรถตลอดเวลาเพื่อชดเชยความรู้สึกผิดว่าตอนที่พ่ออยู่นี่ไม่ค่อยได้พาพ่อไปเที่ยวแต่ว่า ถึงตอนนี้นี่อย่างน้อยก็มีมีโอกาสได้พาพ่อไปเที่ยวในสภาพที่เป็นรองเท้าแตะแค่คู่เดียวนะรองเท้าแต่งพ่อนี้แกก็ทาสีอย่างดีนะเป็นสีทองเพราะว่าสีทองนี่มันหมายถึงเทวดานะพ่อนี้เป็นตัวแทนของเทวดาแกก็เอารองเท้าแต่งพ่อมาให้ดูนะวันนี้ทุกวันนี้นี่ผมไปไหนนี่ผมก็เอาพ่อติดไปด้วย แต่ว่าพ่อนี่ก็มีสภาพเหลือเท่านี้แหละคือมีแค่รองเท้าแตะคู่เดียวนะก็มาบอกให้เตือนใจคนว่าเนี่ยอย่าให้เป็นเหมือนผมนะตอนนี้เพิ่งม า, ม, ามานึกได้ก็ตอนที่พ่อนี่เหลือแต่รองเท้าแตะแล้วพาไปไหนไป้าไหนแล้วแกพาจริงๆนะเวลาจะไปล้างรถนี่พนัก ง, งานล้างรถเจอารองเท้าแตะของพ่อนี่ลงออกจากรถแกไม่ยอมเลยบอกคุณอย่ามายุ่งกับรองเท้าคู่นี้ของผมนะ คือให้มีให้มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้พ่อนี่พาติดตัวหรือว่าเราพาพ่อไปตลอดเวลาแต่ว่าพาพ่อในลักษณะที่เป็นรองเท้าแต่นี่มันก็ความหมายมันน้อยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําหรับผู้ชายคนนี้ก็เป็นการชดเชยความรู้สึกผิดเป็นการชดเชยที่ไม่มีโอกาสได้พาพ่อไปเที่ยวก็พา พาพ่อไปเที่ยวไม่ได้ตอนมีชีวิตยอยู่ก็เอาลองทดแต่พ่อของพ่อไปเที่ยวแล้วกันนะอันนี้ก็ถ้าผู้ชายนี้แกย้อนเวลาได้ก็คงจะไม่ทำอย่างที่เคยทำนะก็คงจะพาพ่อไปเที่ยวเมื่อมีโอกาสซึ่งก็คงจะมากกว่าปีละสองสาครั้งอันนี้ก็สำหรับผู้ชายนี้เขาถอวเป็นความผิดพลาดที่ที่แก้ตัวไม่ได้แล้วนะมันสายไปแล้วเพราะพ่อไม่อยู่แล้ว ก็ได้แต่ชดเชยด้วยกัรเอาลอทัตแต่พ่อเนี่ยมาติดตัวเอติดรถประจําแต่ก็อย่างที่บอกนะว่าคนเราเนี่ยผิดพลาดในวันนี้นะัมันดีกว่าผิดพลาดในวันหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราาความผิดพลาดมาเป็นครูมันก็ช่วยเตือนไม่ให้เราผิดพลาดในวันหน้าได้อย่างถ้าเราอาจจะเคยผิดพลาดไปในเรื่องแบบนี้นี่ก็อย่าไปเสียใจมากก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะ เพื่อว่าเราจะได้ไม่ผิดพลาดในวันหน้าซึ่งผิดพลาดในวันหน้ามันอาจจะหนักหนาจกนกระทั่งแก้ตัวไม่ได้คนเราก็ต้องอาศัยความผิดพลาดเป็นครูถ้าเราโมโหมาเสียใจในความผิดพลาดมันก็เสียโอกาสที่จะเอาประสบการณ์ที่ผ่านไปแล้วมาเป็นครูหรือว่าเป็นเป็นธรรมะเป็นคติธรรมให้กับเราได้